you <laughs> เป็นประทานแล้วก็คารวะต่อผู้ที่ผู้สูงอายุนคะราวคุณแม่คุณพ่อที่มาฟังสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้แล้วก็ต้องขออภัยนะที่ท่านผู้สูงวัยเนะี่ยยกมือไหว้ผมแต่ผมไหว้ไม่ได้นะมือมันเป็นเชิ้ไว้ไม่ได้นะีขออภยนะัยด้วยไหว้ด้วยจิตใจ เขาลบได้จิตใจก็แล้วกันข้างหลังก็อยากจะดูมือผมว่ดูไม่ได้เนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยไปจนตลอดชีวิตกระดิกไม่ได้หลังนิ้มือผมกระดิกไม่ได้ mm hmm. ก็ถือว่าเคาลบได้จิตใจก็แล้วกันตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงวันนี้นี่วันนี้ป็นวันที่โชคดีมากที่สามารถมาพูดให้กับผู้ที่มีอายุ ลุ้นลาวคราวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ผมพูดธรรมะมาหลายครั้งเป็นร้อยๆครั้งแต่ไม่เคยมีผู้ที่อายุมากขนาดนี้มาฟังมากมายถึงขนาดนี้เอาอายุมารวมกันเนี่ยแต่เรคนมารวมกันเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันเนาะเนี่ย<ไ>พอพูดไปแล้วรู้สึกมันมีปีติมีปีติมีความสุขอยู่ในใจ เพราะที่จริงแล้วการพูดคุ ย, คยแต่ละครั้งเนี่ยผมชอบมากชอบฟังผู้สูงอายุพูดแล้วก็ชอบมีอะไรบางดิ่งบาิอย่างที่แอบเรียนรู้สิ่งเกา่าๆที่ท่านได้เคยผ่านมาเล่าให้เราฟังเราจะสนใจฟังเป็นพิเศษก็คิดว่าทำยังไงนาอเราจะมีบุญจะมีอายุถึงขนาดนี้บ้าง ตอนนี้ก็อายุห้าสิบแปดแล้วทาตท่าจะไปไม่ไปถึงนีง่ชีวิตคงจะไม่ถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขบางทีมันอายุมากแต่เฉพาะรูปร่างแล้วก็ตัวเลขแต่ใจในบางทีอาจจะไม่มากเท่าอายุก็ได้ให้เราคิดซะว่าถึงฟันจะหักถึงหนังจะเหี่ยว มันก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของมันมันไม่เช่เรื่องของเราทำใจอย่างนี้มันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เลิกเลยเหมือนกันนะนับ ว, ว, ว่าโชคดีแล้วที่มีอายุถึงขนาดนี้โชคดีมากเพราะบางคนนี่อยู่ไม่ถึงเท่านี้นะอย่างผมนี่เกือบจะไปต้องหลายครั้งแล้วแสดงว่ามีอายุที่ว่าครบวงจร เกินแก่แล้วก็ต่อไปค่อยตายทีหลังจวแล้วจวนใกล้เส้นชัยแล้วใกล้เส้นชัยชนะแล้วเหลืออีกนิดเดียวถึงชัยชนะคือความตายาแลาวคนบอกว่าอายุมากแล้วไม่จะมีความดีตรงไหนเลยแก่แก่แล้วไม่มีอะไรดีกันตาไม่ถึงคนแก่เนะ่มีอะไรดีหลายๆอย่าง แกนี่เสีดีเดืบบคนที่ไม่มีโอกาสได้แก่มันอยู่ที่ใจเราต้องหากคนแก่มีประโยชน์เยอะคนแก่ที่มีคุณค่าเนี่ยก็เยอะทำในสิ่งที่มีประโยชน์คนที่ตามไม่ถึงก็มองข้ามไปต่าไวัยเนี่ยเป็นวัยที่ต้องถนอมมาไว้ก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องาศาสนาหน่อย อย่างองค์กรศาสนาใหม่ริชโชนี่ผมเพิ่งเคยรู้จักจากคุณแม่มาสยโยนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกในองค์กรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากผมพูดกันไม่รู้เรื่องคนละภาษาแต่ดูอาการที่เขาแสดงออกเนี่ยประทับใจอันดับแรกคือมีความสนชื่น ไวขนาดนี้เนี่ยสดชื่นแบบนี้ น, น่าอิจฉาหนุมสาวบางคนยังหน้าตาสดชื่นไม่เท่าทันพอเห็นปั๊บเนี่ยและดูอายุเขาเนี่ยลดลงมางทันทีเลยความกระตือรือร้อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่ น, นออกมาจากจิตใจของท่านจริงท่านไปที่เมืองไทยถ้ากระทำตัวเป็นปกติอย่างเนี้ย <ใน S 1> สดชื่นแล้วกระตือรือร้อน แ, แสดง การไล่ลําลตามธรรมเนียมของชาวเกาะโอกินาวายดูด้วยมาที่นี่ท่านก็เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมเจอที่ไหนที่ไหนก็คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยคือตัวแทนของสมาชิกชชองคอ์กรริชโชนี่แหละเ mm hmm. ให้ได้อย่างนี้เถอด mm hmm. ถือว่าองค์กรนี่จะเป็นประโยชน์มากผมก็ถามว่า ถามคุณวศยศรหลายราชที่เป็นลูกบางทีก็พูดกันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการทำงานหรือทาหน้านที่อยู่ในองค์กรนี้แล้วต้องคุยกับลูกเคยแท้เขาก็เล่าถึงว่าองค์กรเนี่ยทำอะไรบ้างสองคนก็ช่วยกันอธิบายพวกเราเนี่ยมาจากเมืองไทยนะห้าคนอกคนนี้ไม่รู้จักองค์กรนี้ก็ได้ฟังงานที่องค์กรนี้ไม่ใช่งานเล็กๆนะ่ไ เป็นงานที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นงานบุญบุญคือความดีบุญคือความสุขบุญคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เข <c oughs> าบอกว่าคุณค่าของคนละคนเราจะมีคุณค่าเนี่ยวัดดูอยู่ที่งานที่เราทําถ้างานนั้นมีคุณค่ามีผล ป, ประโยชน์คนที่เข้าไปทํางานนั้น ก็ต้องพอยมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ไปด้วยไม่ว่าการงานจะมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนแต่คนที่เข้าไปทำงานเนี่ยย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าการงานที่สัมจงภูมิใจเถิดที่เป็นคนที่แก่อย่างมีคุณค่าสามารถยกมือไหว้ตัวเองได้หรือไหว้ความดีของตนเองไม่สิที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีอายุถึง ว่ายนทุกวันนี้บางคนไม่มีความดีในตัวเองเลยมันรู้จะว่ายตัวเองได้อย่างไรนะเกิดมาแล้วน่าสงสารองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่จะเทียบแล้วเนี่ยเหมือนศาสนาใดศ า, าสนาหนึ่งจริง <Okay. S 1> เป็นศาสนาใหม่เหมือนศาสนาธรรมพราะดูจากงานที่ทํา แล้วบุคคลผู้ที่เข้าไปทํางานนี้คล้ายจิตแพทย์บางคนก็เหมือนคนไข้แล้วก็ไปหาจิตแพทย์ช่วยกันรักษากันบางเวลาจิตแพทย์ก็รับไม่ไหวเหมือนกันจิตแพทย์กลับกลายเป็นคนไข้ซะเองก็มีนะบางทีคนไข้ก็สงสารจิตแพทย์ก็ต้องช่วยรักษาจิตแพทย์แล้วบางทีต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยกัน คืช่วยกันในกลุ่มของเราเนี่ยแหละแล้วมันไม่เฉพาะแค่นี้นะคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบางทีเราก็ไปช่วยเขาได้สําคัญให้ดีนะระวังคนที่ช่วยเขาต้องฝึกช่วยตัวเองให้แข็งแรงก่อนจะได้ช่วยเขาแบบเราไม่ต้องเป็นทุกข์<ไ>มีช่วยแล้วมีความสุขจะได้ไม่องเป็นคนไข้เอง ในแต่ละองค์กรเนี่ยย่อมมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันทุกศาสนาจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามชินโตทุกศาสนามีวิธีการสอนที่เหมือนกันหลักการเดียวกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันผมจะพูดถึงความหมาย ความหมายขององค์กรและศาสนาเนี่ยมันหมายถึงที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นศูนย์รวมของจิตใจของทุกๆคนเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกๆคนคือการเอาไว้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเราทุกคนเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจ ให้นึกถึงศูนย์รวมนี้ว่าเราเคยทำประโยชน์อะไรไว้<ม>เราเคยทำความดีอะไรไว้แล้วเราก็จะมีความสบายใจจะหายทุกข์ใจไปเองแล้วก็เราก็ได้รับฟัง<ม>ได้ดูการชี้แนะเขาเวลาเรามีปัญหาเราก็ช่วยเหลืใจเราเองได้อันนี้คือที่พึ่งทางใจซึ่งเป็นที่พึ่งภายในตัวเราเองจึงเรียกว่าศูนย์รวมทางด้านจิตใจของทุกๆคน ข้อสำคัญก็คืออย่าไปแบ่งแยกกับองค์กรอื่นหรือศาสนาอื่นอย่าไปมองในข้อแตกต่างกันถ้ามองว่าเราดีกว่าเขาองค์กรนั้นสู้เราไม่ได้ mm hmm. องค์กรนี้เราดีกว่าเขาหรือองค์กรนั้นดีกบเราอย่าไปมองตรงนั้นจะเกิดการทะเลาะและขัดแย้งกันเพราะเรามองในเรื่องความแตกต่างกันจะเกิดการแตกแยก พวกโน้นพวกนี้เป็นพวกเป็นมุมแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันอาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของการปฏิบัติขนม ร, รมเนียมประเพณีอาจจะไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นแค่เปลึกเปลือกนอกซึ่งไม่ใช่เนื้อแท้ขององค์กรหรือของศาสนานั้นหลักการเดียวกันอาจจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับขนบมทำเนียมประเพณี ของเชื้อชาตินั้นศาสนานั้นหรือกลุ่มนั้นแต่เป็นเป้าหมายเดียวกันอย่างผมมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาด้วยกันห้าหคนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยก็นิยมทําออนเซ็นกันแต่คนไทยไม่รู้จักคําว่าออนเซ็นพอพูดถึงออนเซ็นคนไทยก็ไม่กล้าแต่ว่าไม่กล้าแล้วไม่ใช่ไม่ลองนะลองเหมือนกัน นี่เพราะได้ข่าวว่าคนไทยบางคนเนี่ยแอบไปทำออนเซนตอนดึกๆกตอนเช้าเช้าอันนี้ผมก็อยากจะไปนะแต่ผมลุกไปไหนไม่ได้ <c oughs> มันเป็นเป้าหมายเดียวกันคือให้เกิดความรักและความสามัคคีกันนั่นแหละ <c oughs> ออนเซนหลายคนก็สนุก ด, ดีสามัคคีกันแต่ออนเ้นคนเดียวนี่มันเหงาเพราะนั้นอาจจะแตกต่างกันแค่เนี้ยแต่เป้าหมายคือความรักความสามัคคีกัน ทุกศาสนาทุกองค์กรเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยหัวใจของศาสนาหรือองค์กรนี่อยู่ที่การไม่เบียดเบียนกันคือไม่ทำให้ผูอื่นต้องเดือดร้อนให้มีความรักและมีความเมตตาซึ่งกันและกันที่ลิเชนี่มีไหมแล้วก็เป็นคนที่เสียสละ มีน้ำใจที่ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวคาว่าไม่เห็นแก่ตัวนี่หมายถึงว่ามองเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตนช่วยเหลือคนอื่นช่วยเขาก่อนโอ้แล้วก็ช่วยตัวเราทีหลังก็ได้บางครั้งช่วยคนอื่นแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ช่วยคนอื่นแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คาร์โบขอบคุณดิโชเป็นอย่างนี้ไหมไโอ้นี่หละคือศาสนาหนึ่งจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ยเป็นศาสนรรธรรมะจริงๆเนีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะให้ทุกองค์กรเนี่ยให้ทุกองค์กรเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยมาร่วมมือกันทําอย่างเนี้ยโดยเฉพาะความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะได้บุญมากทีเดียวนะ ข้อสาคัญคือที่เป็นปัญหากับปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องของความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นปัญหามากมองแต่ประโยชน์ตนเองคนอื่นยังไงไม่สนใจสนใจแต่ตนเองอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวและยิ่งสมัยเนี่ยสังคมสมัยเนี่ยเป็นสังคมที่วัตถุจเจริญเทคโนโลยีต่างๆก็จเจริญขึ้นสติต ใ, ใจคนต่ําลง เพราะมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันเลยทำให้คนนี้มีความหึงียดตัวมากขึ้นวัตถุเนี่ยมันไปขึ้นในสูงสุดเลยเทคโนโลยีที่ชั้นสูงแต่คนที่เศรษใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่มีไม่มีปัญญาปัญหาความหึงแย่งตัวเนี่ยจึงมากขึ้นแล้วคนก็เบียดเบียนกันทะเลาะบอะแว้กันก็แย่งชิงกันสังคมข้างรนแก้ไขา ย, ยากมาก เรื่องของความเห็นแก่ตัวเนี่ยแก้ไขา ย, ยากมากแต่สังคมดิโชนี่คิดว่าแก้ได้เอาในกลุ่มเราก่อนเริ่มลั่นหนึ่งจากตัวเราสองนั่หนึ่งจากตัวเราแล้วก็เพื่อนของเราเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของเราถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเลย เราก็พลอยได้บุญด้วยและผู้ที่ก่อตั้งริโชนี่ก็จะพลอยได้บุญด้วยคิดว่าเป้าหมายของท่านผู้ก่อตั้งเนี่ยเพื่อให้มาทําตรงนี้ทั้งหายทำไมผมจึงรู้ผมไม่ได้เกิดใหม่มาจากท่านมาเป็นนี่เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าที่สําคัญนะหลักการต่างๆนี่นี้ไว้จะพูดพูดพูดพูดแต่ไม่ได้ทํามันจะมีประโยชน์อะไร มันคนที่สวยแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่สวยเลยไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายสวยใจต้องสวยต้องงามด้วยคำพูดร้อยคำพันคำไม่มีค่าถ้ากับทำให้ดูหนึ่งครั้งร้อยรู้หมื่นรู้แต่ไม่สู้หนึ่งทำเพราะนั้นอยากเน้นว่าสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติ หรือการกระทาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยทำให้มากกว่าสิ่งที่เรารู้พอแต่ละว่าทำมากกว่าพูด<ม>ให้ทำมากกว่าให้พูดดีกว่าพูดมากแล้วไม่ทำอะไรเลย<ะ>มันเน้นอยู่ที่การกระทนะค ะ, ะหลักการนั่นจึงจะมีคุณค่า<ะ>แลวพูดกเรทาทำก็มีคุณค่าผ<ะ>ููดได้รับประโยชน์ก็พอยได้รับประโยชน์ไปด้วยเต็มที่ จะเล่าเรื่องศาสนาพุทธนิดหนึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเน้นที่การกระทำการบูชาพระเจ้าเนี่ยบูชาสูงสุดคือบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาแค่พูดบูชาเนี่ยพูดว่าเรากราบเรารักพระทธเจ้าเนี่ยพูดบูชาเนี่ยได้ถ้าเป็นเงินนะได้เงินแค่เย็นเดียวถ้าปฏิบัติบูชาเนี่ย หนึ่งล้านยินการปฏิบัติบูชาคือการกระทําตามหลักการที่ในลิชโชนเนี่ยตั้งเอาไว้ดูหลักพุทธนะหวัวใจของพุทธศาสนามีอยู่สามข้อความชั่วความผิดไม่ทาซะเลยดีกว่าความผิดนิดเดียวมันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ได้มันอุจะละนิดเดียวมันก็เหม็น ว่าความชั่วมระอุจจาระเนี่ยนะไม่ทำซะเลยดีกว่าอย่างเนี้ยไม่ทําล้วความชั่วไม่มีแรงทำเชื่อได้เชื่อได้เ็ใช้ได้ใช้ได้เข้าหลักแล้วถ้าหลักเข้าใจพุทธศาสนานะ่ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เรียกต้องต้องก็เรียกถือศีลหรือไม่เปลี่ยนเปี่ยนการพึงข้อนี้แห่ะเนี่ยนะคือวิธีการปฏิบัติสำหรับข้อที่หนึ่งนะอันที่สองให้ทําความดี ทำความดีทำความดีคื อ, อยังไงทำความดีก็คือการมีความรักมีความเมตตามีการให้อภัยกันเสียสละช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเรากําลังทําอยู่อันที่สมคือทําจิตใจให้ผ่องใส จิตใจที่ฟองถ่ายนั้นเป็นใจที่ปลั๊จากความหินแกนตัวแม้เราจะให้ของใครให้แบบไม่วังสิ่งตอบแทนจิตที่คิดจะให้มีความสุขไหมและจิตที่อยากจะได้นะ่ะจิตสองดวนี้ใครมีความสุขกว่ากันเรื่องการให้นี่มีเยอะแล้วยิ่งให้อาภัยเนี่โอ้ เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ทำได้แล้วก็เป็นผู้ที่เประเิยมาก<ไ>การให้ความรู้ให้ธรรมะถือว่าเป็นการให้ที่สูงสุดให้ความรักให้ความเมตตาถ้าทำให้ถูกต้องทําให้กินแล้านี้ผ่องใสใครชอบความเมตตาบ้างชอบเมตตาเขาหรือชอบให้เขาเมตตาเรา ชอบให้เราสงสารเขาหรือชอบให้เขาสงสารเราสงสารเขาแสดง ว, ว่าโอ้เขานี่แต่ว่าเราดีกว่าเขาถ้าเขาสงสารเราเราเมื่อกี้เนี่ยพอคุณมาสะยโพูดในนํามประวัติเนี่ยมีคนสงสารผมบางคนร้องไห้น้ำตาไหลด้วยนะ <c oughs> ผมก็นั่งดูโอ้ผมสงสารเขาจังเลย <c oughs> <c oughs> ผมสงสารแล้วก็ <c oughs> ผมไม่มีอะไรให้นาสงสาร น่ารักจางต า, า <laughs> นี่จะบอกวิธีหลักหลักของความปฏิบัติเรื่องเมตตาให้สักสี่ข้อในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมทั้นสูง <c oughs> มีอยู่สี่ข้อ <c oughs> ใครรู้จักบ้างยกมือโอ้ไม่พูดดีกว่าเนาะ สีข้อนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมถ้าเป็นบัติถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขในโรคนี้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้ตายแล้วไปรับความสุขสุขตั้งแตปัจจุบันเลยจะรอสุขเดี๋ยวนี้หรือรอสุขข้างหน้ารอเดี๋ยวนี้มันสุกกินได้แต่รอข้างหน้ามันสุกไหม้<ไ>ก็รอนะพอมันก็ไหม้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันกินได้แล้ว<ไ>มันปิ้งเนื้อ สุขเดี๋ยวนี้มันกินได้เลยสุขในปัจจุบันถ้ารอสุขในน่กข้างหน้าเนี่ยบางทีมันไหม้แล้วกินไม่ได้ความสุขอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคว้าไว้ก่อนอไปรอข้างหน้าบางทีเราอยู่ไม่ถึงอันหนึ่งคือความเมตตาเห็นคนที่มีความทุกข์เราก็รู้สึกสงสารเขายายเขาพ้นจากความทุกข์ยายเขามีความสุขอันนี้คือเมตตา เป็นสมุนเด็กที่เกิดใหม่ลูกเราที่เกิดใหม่เราไม่รู้สีคนคนแรกเกิดใหม่แล้วก็โอ้อยายเขาโตโตแล้วค่อยเขาเป็นคนดียายเขาเป็นค น, คนที่ว่า ง, ง่ายคนสุขภาพดีเลีเ้ยงง่ายเนะี่ยเพราะว่าแล้วก็นอนสอนสอนง่ายแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยได้วยการคิดเมตตาเท่านั้นเราเป็นอย่างนั้นไหม ผม oh, ได้แล้วข้อหนึงข้อนึงข้อที่2กรุณาอันนี้ไม่ได้แค่คิดแล้วนะต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไปโอบอุ้มเมตตาอย่างเดียวไม่พอนะคิดอว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้มีกรุณาเข้าไปช่วยเหลือ <Yeah. S 2> พอเขามีความทุกข์ก็ต้องการความช่วยเหลือ เราต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเขายื่นมือไปช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยได้ถ้าจะเปรียบลูกเราอ๋อลูกคนนี้พิการลูกคนนี้ป่วยไข้ต้องช่วยเหลือเขาพวกเราช่วยเหลือเขาไหมอน่ยเห็นเขามีความทุกข์เข้าไปช่วยเหลือเขาไปพูดไปให้กำลังใจได้แล้วริชโชสองข้อข้อที่สาม อันนี้เริ่มเริ่มยากขึ้นเลยนะ<อ>เราช่วยเขาไปแล้วเขาหายหายจากทุกหายจากโรคเขาแย้มจ่มใส<อ>โหเราก็พรอยินดีด้วย<อ>เขาก็สุขเราก็สุขเป็นอย่างนั้นไหมไ<อ>เขาเรียกมุทิตา<อ>พรอยยินดีเ<อ>บียดเสมือนลูกของเราเขาเรียนจบ ได้งานทำแล้วเพราะเราก็ดีใจลูกของเราประสบผลสาเร็จในชีวิตเราก็ดีใจนี่เรียกพรอยยินดีเมื่อกี้ก็ดีใจเห็นคนพิการมานั่งข้างหน้านี้ก็ตบมือพรอยยินดีกับผมใช่ไหมที่โบพิการตามข้อเลยนะข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากจะสอบตกสอบได้ข้อสุดท้ายนี่แหละ คือคำว่าอุเบกขาคือทำใจเป็นกลางเป็นปกัติเมื่อเราช่วยเขาแล้วถ้าเขาหายจากความทุกข์หายจากโรคว่าเราก็สบายใจถ้าเขาไม่หายละ่ะเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมหรือเขาไม่รับความช่วยเหลือจากเราเราก็ทุกข์ใจอันนั้นไม่ใช่อุเบกขา เมื่อเราช่วยเขาแล้วเขาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนี่มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราต้องวางเฉยอ๋ อ, อเป็นกรรมของเขาโ อ, อ, อ, อ้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อไปเราจะช่วยเขาใหม่อีกมีโอกาสจะช่วยใหม่อีกเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกขนะ์อ่ะอุเบกขาคือการตามต้องเฝ้าดูเฝ้าดูเขาเราช่วยเขาแล้ว มันก็หมดหน้าที่ของเราแล้วเราได้ช่วยแล้วเราได้แล้วเขาจะหายหรือไม่หายนั้นค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็เป็นกันขงเขาคิดว่าสักวันนึ่งขาอาจจะดีขึ้นกว่านี้เพราะโลกทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงู่เวลาวันนี้เขาไม่ดีขึ้นวันต่อมปอาจจะดีขึ้นก็ได้เราต้องวางเฉยแม้แต่ตัวเราต้องไม่ทุกข์เราทำหน้าที่ช่วยกันจบหลรู้จักแบ่งแยก มันลูกของเราที่โตแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วปล่อยเขาใช้ชีวิตคู่เขาไว้แล้วก็วางเฉยก็ค่อยดูว่าเขามีปัญหากบช่วยเหลือค่ะเขาอีู่ในหาก็ปล่อยเขาไปใช้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นทำความดียายทำใจให้เป็นทุกข์เร mm. ามีสติปัญญาช่วยใจเราไม่ให้ทุกข์ด้วย mm. พราะนี้ใครสอบไม่ผ่านบ้าง ตรงกับหลักธรรมหัวใจศา ส, สนาพุทธข้อที่สามที่ว่าทำจิตใจให้ผ่องแผ้วถ้าใครยังสอบข้อนี้ไม่ผ่านนะจิตที่ผ่องใสสูงสุดเนี่ยจะต้องผ่านจากการภาวนารู้จักภาวนาไหมนะภาวนาว่าทำจิตให้เจริญทำจิตให้พ้นจากความทุกข์ด้วยอาศัยการ ทำสมาธิภาวานาหรือวิปัสนาภาวานาโดยเฉพาะวิปัสนาภาวานา <Yeah. S 1> คือการมีสติมีสติรู้จักรู้จักตัวเราเองกลับมาดูตัวเเองดูกาย <Division. S 1> ดูจิตดูใจของเราดูด้วยสติดูบ่อยๆ <Okay. S 1> สังเกต <Okay. S 1> ดู ต, mm hmm. ตัวเองบ่อยๆเพ่งโทษตัวเองอย่าไปเพ่งโทษคนอื่น mm hmm. คือการภาวานา mm hmm. เราก็จะเกิดปัญญารู้ความจริงแต่ <Okay. S 1> เพราะว่าตัวเราอาจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง <Yeah. S 1> คนอื่นก็เหมือนกับเรา <Okay. S 1> ถ้าเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมัน่นหรอกรู้จักปล่อยวางปล่อยวาง <Okay. S 1> ถ้าเราไม่ปล่อยวางตัวเราเนี่ยต่อไปตัวเรามันก็จะหนีจากเราไปเ <Yeah. S 1> ต้องฝึกสติฝึกปัญญาเพื่อจะปล่อยวางตัวเราให้ได้ก่อนที่เราจะตาย พวกที่จะไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เวลาที่มันต้องตายจากเราไปจ เ, เป็นการลดละตัวตนลดละความเห่นแก่ตัวได้เต็มที่เลยแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์เลยตอนที่เราตาย เ, เพราะฉะนั้สิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยงานที่เราทำในลิโชเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆทําเรื่อยๆจะเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลงโดยธรรมชาติ เน่ยเป็นบุญเป็นที่พึ่งทางใจชีวิตอยู่ก็มีคุณค่าเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเข้าไปสู่สุคติร่างกายอาจจะอยู่ที่สุสานแต่ใจนี้ไปสวรรค์เดี๋ยวขอเล่าของตัวเองนิดนึงนะผมเนี่ยก็อาศัยหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะข้อตุดท้ายคือ การภาวนานี่แหละเอามาเป็นที่พึ่งฐานจิตใจแต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเรื่องการภาวนามีแต่ทำงานทำงานหาเงินหาตำแหน่งให้มันรวยให้มันรวยให้มันเก่งให้มันสูงไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาพอถึงคราวที่เราจะต้องโชคร้ายร่างกายพิการเราก็เป็นทุกข์ไม่รู้จะมีที่พึ่งอะไรให้ใจเรามีความสุขได้ มีแต่คุณพ่อคุณแม่นะ่ะคอยช่วยเหลือเราอยู่เวลาเรามีความลำบากมีความทุกข์ไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยไม่แต่เพื่อนคนที่เป็นทุกข์ลำบากสมองก็คือมีแต่พ่อแม่ก็เฝ้าดูแลเราอยู่อันนั้นคือเป็นการช่วยเหลือแค่ภายนอกแต่จิตใจเนี่ยช่วยเราไม่ได้เลยใจเราต้องช่วยตัวเราเอง แล้วเราไม่มีที่พึ่งเราจะอะไรไมาช่วยใจเราแค่นี้คุณพ่อคุณแม่เลยแหละเอาธรรมะในพุทธศาสนาหรือ mm hmm. ว่าเรื่องการภาวนาเนี่ยมาให้เราศึกษามาให้เราปฏิบัติมันเลยทําให้เรารู้จักว่าอ๋อนี่คือที่พึ่งแทานนั้นจิตใจเราแค่อ่านแค่ฟังแค่มีหลักการมันแก้ปัญหาใจไม่ได้เราต้องเอาปฏิบัติกับตัวเราเองมาทํากันตัวเราเองอ mm hmm. าศัยการภาวนามีสติ ดูกายดูใจก็เลยรู้ความจริงของตัวเอง <S 1> <S 1> อโอ้ความทุกข์มันเป็นเรื่องของร่างกายความไม่ทุกข์อยู่ที่จิตใจความที่ร่างกายพิการในเป็นเรื่องของร่างกายความพิการเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจก่อนกายก็พิการใจก็พิการก็รู้ความจริงโอ้ใจไม่ได้พิการเลยลาออกจากความพิการพัฒ<ะ>นาจิตใจไ ป, <ๆ>ไปเลย สบายใจละอิสระเสรีอยู่ที่จิตใจกายมีไว้ให้เป็นทุกข์แต่ใจมีไว้ให้พ้นจากความทุกข์พอใจมันไม่ทุกข์ก็มีความสุขมาอยู่ในใจเราแทนก็สายหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยแหละแก้ปัญหาตัวเองได้เปลี่ยนร้ายกลายมาเป็นดีได้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จากทุกข์เป็นไมทุกข์เพราะว่าศาสนาเขาที่พึ่นทางใจ การชีวิตมันไม่แน่นอนนะในทุกย่อมมีความสุขในมืดย่อมมีความสว่างในวิกฤตต้องมีโอกาสนะชีวิตเรามีโอกาสอยู่เสมอเลยนะ <Okay. S 1> เวลาเราประสบกับชีวิตในด้านที่ไม่ดีอย่าลืมมองด้านดีด้วยเราจะได้มีกำลังจ้ะสุดท้ายนี่ก็ขออนุโมทนาบุญ สำหรับท่านประธานแล้วก็ท่านผู้สูงอายุมาฟังที่ผมพูดในวันนี้แล้วก็ตั้งใจฟังมาก oh <my> ผมจะจบไม่ลงก็แล้ว oh <my> อขอให้ทุกท่าน oh <my> ขออวยพรนะขออวยพรทุกท่าน oh <my> บุญกุศลที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ย oh <my> ได้ช่วยเหลือใครก็ตามในด้านการให้คิด ได้ให้การให้แง่คิดกำลังใจหรือวิธีการปฏิบัติตนเองผู้ที่ได้รับประโยชน์บ้างไม่ได้รับประโยชน์บ้างเราก็ทําให้เขาหมดแล้วคือทําให้ทําให้ไม่ได้ทําเอาวันนี้ก็เช่นเดียวกันการทําบุญทั้งหมดนี้ก็ยกให้ยกให้อห้ท่านเป็นบุนคคลที่มีบุญทุกๆคนมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุก ปราศจากความทุกข์ด้วยกระได้สมใจปรารถนาตลอดด้วยการทุกทุกท่านเธอไดโอนดารา